ญาติจเจริญพรทุกทุกท่านนี่เป็นครั้งที่สี่ที่หลวงพ่อเทศในห้องนี้ปีกลายสองครั้งปีนี้สองครั้งพวกเราเรียนกันมาพอสมควรความจริงแล้วการฟังธรรมแต่ละครั้งนะมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคราวที่ได้ฟังธรรม อย่างหลวงพ่อฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยมันดูดดื่มใจฟังครั้งหนึ่งเอาไปภาวนาทั้งนานเนี่ยบางเรื่องเนี่ยกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนใช้เวลาตั้ง20่สกว่าปีมีบางเรื่องนะอย่างเรื่องที่หลวงปู่ดุลท่านสั่งครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านสั่งบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต จึงจะตึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฟังมาตั้งแต่ปี26 2526ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจขึ้นมามการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนล้วทาไปตามยาถากรรมไม่รู้ทิศทางถ้าทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงจะดีเนี่ยเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลย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 แต่พอทำเข้าจริงความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปเราก็หิวความสุขอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นต่อไปอีกน่นชีวิตในโลกก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะหาความสุขแล้วก็หาไม่ได้เหมือนเมือนจะได้แล้วก็หลุดมือหายไปเสมอนะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสุขเรามาเรียนธรรมะนี่แหละถ้าเรา สัมผัสธรรมะที่แท้จริงแล้วนะเราจะพบว่าไม่มีสุขอื่นเสมอแต่ธรรมะนี้เลยพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนะนัติสันติฝรังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีคาว่าสันติเนี่ยคือชื่อของพระนิพพานงั้นบางทีท่านบอกว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุข เราไม่รู้จักนิพพานนะเราก็พยายามปฏิบัติกันที่จริงแล้วพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะนิพพานไม่ใช่ของที่ว่าวันหนึ่งจะแตกสลายไปนิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยงนะคงที่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 ก็มีสิทธิ์เข้าไปสัมผัสพนิพานแต่ว่าไม่สามารถครอบครองพนิพาณไม่ได้เพราะมันไม่มีผู้ที่จะครอบครองนิพานไม่ใช่เรื่องอุดมคติไม่ใช่สภาวะยูโทเปีย อ, อุดมคติที่นักปรารถสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำดีแต่นิพานเป็นสภาวะที่มีจริงๆนะอยู่ต่อหน้า ต, ต่อตาเรานี้ไม่เคยหายไปไหนเลย แต่จิตของพวกเราไม่มีคุณภาพพอที่จะรู้ที่จะเห็นถ้าเมาไหร่เราภาวนาจนจิตของเรามีคุณภาพมากพอนะเราจะพบว่านิพพานอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราเที่ยวสแสวงหาธรรมะแทบเป็นแทบตายนะเราคิดว่าธรรมะอยู่ที่โน่นที่นี่ธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่าง ร, ร้ายแรงของเราเองถ้ า, าไร่ใจเรามีคุณภาพพอนะ อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั้นไม่เคยหายไปเลยนิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหาถ้าเมื่อไร่ใจของเรามีตัณหามีความอยากขึ้นมาเราจะไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นวิราคะปราศจากราคะปราศจากตัณหาปราศจากความอยากในใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลา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 ความอยากเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดใจของเราหิวไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจหิวอยู่ใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจะมีแต่ความดิ้นรนนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจของเรามีความหิวมีความอยากเกิดขึ้นนะเราไม่เห็นพรนิพพานซึ่งเป็นสันตินะนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบสงบสุขนั่นแหละ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 ดิ้นไปอย่างนี้น่าคิดว่าจะดีดิ้นไปอย่างนี้คิดว่าจะดีบางคนก็ดิ้นไปทำชั่วคิดว่าจะดีคิดว่าจะมีความสุขคนทำชั่วนะอยากได้ความทุกขไหมเมื่อความชั่วเขาทำชั่วก็ไม่ได้อยากได้ความทุกขนะเขาทำชั่วเขาหวังว่าเขาจะมีความสุขเนี่ยไปขโมยเขาไปพร้นเขาก็หวังว่ามีความสุขทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายหวังว่ามีความสุขทั้งหมดเลยใจมันหิวนะใจมันก็ดิ้น ใจมันดินใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบที่แท้จริงนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าบิมุตดนะหลุดพ้นออกไปจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตแ้าจิตของเราเนี้ยถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มตัวนี้ถ้าพวกเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะกระทั่งยังไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกบางคนภาวนาไปแล้วค่อยๆสังเกตไปจะรู้ว่าจิตของเราเนี้ยไม่มีอิสระภาพ จิตของเราถูกขังอยู่ในที่แคบๆนะมีเปลือกห่อหุ้มอยูนะ่ไม่มีอิสระอย่างแท้จริงเลยถูกพันธนาการไว้ตลอดเวลานะด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาสวะกิเลสเองคล้ายๆมีเปลือกหุ้มอยู่นะจิตไม่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยลาบากมากเลยไม่มีอิสระเหมือนคนติดคุกเลยถ้านะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะอริยมรรคเนี่ยทำลายกิเลส ชั้นละเอียดลงไปทำลายสังโยชน์ทำลายอาสะวะลงไปอาสะวะกิเลสดับจิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะแตกทำลายออกจิตจะกระจายขยายตัวออกเต็มโลกธาตนะุเต็มจักรวาลจิตจะไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาอีกต่อไปนะเพราะว่ามันเต็มมันเต็มในมมจิตของพวกเราเนี่ยแคบแคบเล็กเ ล, เล็พวกจิต ของรุกคเทวดานเล็กเหมือนดาว่างนี้จิตของเรายิ่งกว่านั้นอีกจิตของคนทรงฌานก็ใหญ่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์รัศมีแผ่กว้างนี่จิตของเราจุ ก, กจิกเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายเมือนคนก็โศครโลกคนก็สว่างแจ่มใสรวมความแล้วมัน ม, มีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีขนาด ถ้ถูกอาสวะกิเลสผูกมัดเอาไว้เคเห็นลูกโป่งไหยลูกโป่งที่เขาอัดแก๊สแล้วลอยได้จิตของเราคล้ายๆอย่างนั้นถูกขังอยู่นะวันใดที่ลูกโป่งแตกไงแก๊สนั้นกระจายออกเต็มโลกไปเลยแพร่ออกไปจิตนี้ก็เหมือนกันนะวันใดที่อาสวะกิเลสถูกทําลายนะจะขยายตัวเต็มโลกเลยนะ เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะั้นกว้างขวางเบิกบานมีความสุขมีความเต็มมีความอิ่มไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งใดๆเลยอยู่สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงๆรงิวิธีการที่จะเข้าถึงสภาวะอันนี้ก็มีจริงๆรงิอยู่ที่ว่าเราจริงพอไหมสําหรับตัวเราเองถ้าเรามีความจริงพอนะมีกล้าหารพอเข้มแข็งพอ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 งั้นเราต้องมายกระดับใจของเราทำยังไงใจจะสิ้นอยากทาไงใจจะสิ้นความปรุงแต่งทำไงจิตใจนี่จะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงที่ใจสิ้นอยากเรียกว่ามันสิ้นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบเคยอ่านปฏิจจสมุ ป, ปบาทบ้างไหมพบนี่แหละเป็นความปรุงแต่งของจิตนะสิ้นอยากเมื่อไหร่ก็สิ้นพบเมื่อนั้นสิ้นการปรุงแต่งเมื่อนั้น สิ้นภพเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติเมื่อนั้นคือการที่ไปหยิบฉวยไปยึดถือรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราเข้าถึงพระนิพพานนะหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปนามกายใจเนี่ยมันต่อเป็นสายเดียวกันเมื่อไหรสิ้นอยากเมื่อนั้นก็สิ้นปรุงแต่งเมื่อไหรสิ้นปรุงแต่งก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยเอากายนี้ใจนี้มาเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะไม่หยิบฉวยสิ่งใดในโลกอีก ประเด็นสําคัญก็คือทําอย่างไรใจของเราจะสิ้นความอยากถ้าสิ้นความอยากเมื่อไหร่สิ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้นสิ้นความปรุงแต่งเมื่อไหร่นะก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อนั้ น, นการที่จะฝึกจิตฝึกใจจนสิ้นความอยากได้นะเป็นเรื่องใหญ่นคนทั้งหลายเขาก็หาทางแก้ไขความอยากกันแต่ไหนแต่ไรมา ทั้งสัตว์เดรัจฉา น, นเวลามันมีความอยากขึ้นมามันก็หาทางแก้ไขความอยากคนธรรมดาเวลามีความอยากก็หาทางแก้ไขความอยากเพราะเวลาความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันจะเกิดเวลาอยากอะไรขึ้นมานะใจจะไม่สบายนะใจจะทุกข์ขึ้นมาคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสนองความอยากใช้วิธีสนองความอยากอยากดูหนังก็ไปดูหนังแล้วสบายใจใช่ไหมได้สนองไป ไม่ทุกถ้าสนองไม่ได้ก็ทุกข์มีความอยากแล้วได้อย่างที่อยากก็มีความสุขมีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็มีความทุกข์นั้นคนทั้งหลายเนี่ยดิ้นรนสนองความอยากนะคิดว่าวิธีนี้แด้จะทำให้มีความสุขเนี่ยบางคนนะอยากรวยมากๆเลยคิดว่าถ้ารวยมีเงินมากๆซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมีความสุขในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่รวยมากๆนะ เขาก็มีความอยากอันอื่นที่เงินซื้อไม่ได้อย่างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลัดพลากจากสิ่งที่รักอยากเจอแต่สิ่งที่รักอะไรเงี้ยมันเลือกไม่ได้นะอย่างมหาเศรษฐีมีเงินเยอะแยะเลยนะอยากได้อะไรอยากได้หมดเลยนะแต่อยากให้เมียมันหายไปมันไม่หายสุกทีมันจำเป็นมันจำใจอยู่ไม่มีความสุขมันจะมียังไงมันก็ต้องหลงเหลืออยู่ยงั้นเที่ยวดิ้นรนสแสวงหา นะสิ่งต่างๆมาบ ำ, บำรุงบำรเรตัวเองนะเพื่อจะแก้ความอยากเนี่ยไม่สามารถแก้ได้จริงหรอกเพราะความอยากนี่นจะอัพตัวเองตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่านาัตถิตันหาสานาัตถีแม่น้ําหรือทะเลเนี่ยที่ใหญ่เท่ากับตันหานี่ไม่มีเลยเท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเท่าไร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเพราะความอยากเนี่ยจะยกเพิ่มระดับตัวเองขึ้นตลอดเวลา อย่างไม่เคยมีแฟนอยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากมีเมียมีเมียคนหนึ่งแล้วอยากมีสองคนนี่นะมันจะอัพอัพอัพขึ้นไปด้วยพอมีเมียแล้วอยากมีลูกนะมีลูกแล้วมันโง่ไปอยากให้มันฉลาดนะไม่ใช่มีความอยากขึ้นไปซึ่งเงินซื้อได้เหรอลูกที่ฉลาดเออเมียที่ไม่แก่มีไหมสามีที่ไม่แก่มีไหมเงินซื้อไม่ได้ใช่ไซื้อไม่ได้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 เช่นอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสุกอยากสบายก็นั่งมันบนตะปูซะเลยนอนบนตะปูซะเลยนะทรมานมันแกล้งมันทุกสิ่ทุกอย่างความจริงก็สนองความอยากนั่นแหละแต่สนองในทางเนกาทีฟสนองในทางปฏิเสธมันอยากอย่างนี้กูทําอย่างนี้อยากอย่างนี้กูทําอย่างนี้ไปเรื่อยนั่นก็สนองนะั่นแหละแต่สนองในทางปฏิเสธอีกวนะัหวังว่าวันหนึ่งเนี้ยใจจะพ้นจากความอยากอันเนี้ยพวก นักบวชก่อนพระพุทธเจ้านะเขาทํากั น, นบางพวกก็ใช้วิธีทําสมาธิให้นิ่งไปเลยนะจะได้หมดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเพระจิตมันสงบอยู่ในสมาธิเน mm ี่ยความจริงหลงเข้าไปอยู่ข้างในความสุขของสมาธินะก็อยากอีกอยากให้มันอยู่ตลอดอีกน mm ี hmm. น่ไม่พ้นความอยากที่ประณีตนะบางพวกก็ไปทรมานกายอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะ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 นะอย่างที่นักปรสนักบวชทั้งหลายทาก็ไม่ได้แก้ปัญหานะเจ้าชายสิทธถานะท่านก็เลยมาค้นพบทางสายกลางที่แสนดีแสนวิเศษค้นทางที่ท่านค้นพบนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านพบว่าการรู้ทุกนี่แหละเป็นวิธีทำลายตัญหาอย่างสิ้นเชิงรู้ทุกนะทำลายปัญหาได้อย่างสิ้นเชิง ท่านนิยามคำว่าทุกข์ไว้ทุกข์ก็คือตัวกายตัวใจตัวขันห้าของเรานี่เองถ้าเรารู้ความเป็นจริงของกายของใจของธาตุของขันนะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้เมื่อกายนี้ใจนี้เราไม่ยึดถือเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นวิธีทําลายความอยากของพระพุทธเจ้าเนี่ต่างกับคนในโลกคนในโลกทําลายความอยากด้วยการสนองความอยากบ้าง ด้วยการฝืนความอยากบ้างพระพุทธเจ้าทำลายความอยากนะด้วยการรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ลงไปจนหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจนะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเนี่ยนะไม่มีความอยากเกิดขึ้นความอยากนั้นถึงจะมีมากมายกายกองนะแต่ย่อลงมาประมวลลงมานะโดยย่อ มันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขนะ์ลองไปดูเถอะความอยากจะกี่หมืนม่นกี่แสนชนิดนะมันประมวลลงมาแล้วมันย่อลงมาอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นเองก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขนะ์อย่างอยากไปดูหนังใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้สบายใจอยากเช็คหาอาหารมากินอะไรเนี้ยเพื่อจะได้สบายกายอยากหาของอร่อยมากินเพื่อจะได้สบายใจ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 ส่วใจก็เลือกจีนเพราะชอบนะ่ยอยากเพราอยากใช่ไหมอยากกันนี้อยากอันนี้ไปดูแต่ความอยากทั้งหลายนะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจทั้งสิ้นเลยถ้าเมื่อไหรไ่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะเมื่อนั้นจิตจะพ้นจากความอยากเป็นวิธีทําลายตันหาที่เมื่อทําลายลงครั้งเดียวแล้วนะไม่มีตันหาจะให้ทํำลายอีกเนี่ยความอัศจรรย์อยู่ตัวนี้ในขณะที่คนในโลกนะทำลายตันหาลงไปด้วยการตอบสนองตันตันหา แป๊บเดียวตันหาคือความอยากก็จะเกิดขึ้นอีกหรือขมใจนะจะไม่สนองตันหาสุดท้ายมันก็คือสนองตันหาอีกนะมีตันหาไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเราได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือในกายในใจความอยากหรือตันหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นการละตันหานเนี่ยจะละครั้งเดียวแล้วขาดสะบั้นไปอีกไม่มีตันหาจะให้ละอีกต่อไปแล้ว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 แล้วปฏิบัติจนวันหนึ่งหมดธุระที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่งานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ธรร ม, มะมีเวลาสิ้นสุดงานทางโลกไม่มีสิ้นสุดเลยเช่นไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปแล้วก็ไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปนหิวข้าวก็ไปกินข้าวมักินไปสักพักหนึ่งก็หิวอีกก็กินอีกไม่รู้จักจบจากสิ้นงานทางโลกนะ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 เป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วมันก็มีความสุขอันมหาศาลอยู่นะจนตรับวันที่ธาตุขันนี้แตกดับตายไปจิตก็เป็นธรรมอยู่นั่นเองนะแต่ธาตุขันนี้แตกสลายตายไปจิตจะไม่ครองขันอีกต่อไปวิธีการที่เราจะมาเรียนรู้นะจนรู้ความจริงของกายของใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราต้องเรียนคนที่แกวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธนะ น้อยเหลือเกินนะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้วิธีการนะที่จะมาเห็นความจริงของกายของใจก็จทั้งสํานักปฏิบัตินักปฏิบัติอะไรต่ออะไรที่บอกว่าทำวิปัสสนานะเกือบทั้งหมดไม่ได้ทำวิปัสสนาเกือบทั้งหมดทำแค่สมถะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอย่างบางที่ก็สอนดูลมหายใจดูท้องของยุขยับไม้ขยับมือเลย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 นี่มันอัศจรรย์ถึงขนาดนีนะ้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ก็จะก้าวไปถึงวิธีการเรียนรู้ความจริงของกายของใจหลวงพ่อจะอธิบายคำว่าไตรลักษณ์สักนิดหนึ่งบางคนอาจจไม่คุ้นเลยไตรลักษณ์หมายถึงอะไรไตรลักษณ์เนี่ยเาเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะ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 คำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกําลังเสื่อมสล า, ายไปนะสิ่งซึ่งเคยมีมันจะไม่มีนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงอย่างคนทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่นะวันหนึ่งข้างหน้ามันจะไม่มนะีเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เคยมีอยู่มันหายไปเรียกว่ามันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายร่วงแต่ว่ามีแล้วจะหายไปทั้งสิ้น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 มันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะด้วยความหิวด้วยความหนาวด้วยความร้อนอะไรบีบคั้นเพื่ออะไรเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจะต้องแตกสลายไปนะเพื่อให้เห็นอนิจจังขึ้นมาเพราะคําว่าทุกขังเนี่ยอนิจจังเนี่ยนะหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันหายไปมันไม่มีมันจะต้องไม่มีนะอย่างคนในอเมริกาใช่ไหมมีมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วมันก็หายไปยินตรง ย, ยินเดียนอะไรตออะไรก็หายไปใช่ไหมหายไปอันนี้เรียกว่าอนิจจัง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 แต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองหน้าที่ของเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษ์เพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นนะไม่ใช่เพื่อทำให้มันเป็นไตรลักษนะ์เพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วโดยตัวของมันเองนะวิธีที่เราจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษ์ได้นะเราต้องดูแบบเป็นคนวงนอกถ้าเราดูแบบ เข้าไปอินกับมันทุกเรื่องนะมันจะเป็นตัวเราขึ้นมาเราต้องค่อยๆดูแบบเราเป็นคนวงนอกนะใจของเราต้องอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายมันทำงานใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะเห็นจิตเกิดดับทางทวางทั้งหใจเป็นแค่คนดูไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีแค่ใจเป็นคนดูเท่านั้นเอง คำว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะคำว่าวิปัสสนานะปัสนะแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่เข้าไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีคำว่ากำหนดโดยซ้าไปหลายคนชอบกำหนดแนละ้วบอกว่าทำวิปัสสนาต้องกำหนด น, นี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยวิปัสสนะแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องปัสนะคือการเห็นนะไม่ได้ไปคิดนะถ้าคิดเป็นวิตกไม่ได้กาหนดนะกาหนดก็ไม่ใช่นะมันเป็นการกดการข่มไว้นะ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 แต่ว่าไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรสิ่งที่เรารู้คือจิตนะสิ่งที่เรารู้ก็คือจิตพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆเรารู้หรือเรารู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้เวลาดูท้องฟองยุบนะจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เวลาเดินจงกรมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้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 ยาวหลายๆอย่างไม่เอาพุทธโธด้วยหายใจด้วยพองยุกด้วยนะรู้อิริยาบถด้อยด้วยประสาทกินดูไม่ทันหรอกนะเอาน้อยๆอยาว เ, เยอะเอาเยอะเราดูไม่ทันนะจิตจะฟุ้งซ่านเอาน้อยๆนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจ อ, ออกโธนี่เอาสองอย่างรวมกันนะบางคนที่เอาพุทธโธอย่างเดียวบางคนหายใจอย่างเดียวก็ได้บางคนจะดูท ONG ้องพองยุกก็ไม่ต้องไปพุทธโธไม่ใช่นะบางคนดูท ONG ้องพองยุกใช่ไหม งพองหนอยุบหนอเนี่ยนี่บวกก็ไปเป็น2อันนะบริกรรมเข้าไปด้วยวก็เหมือนกับพุทธโธนั่นแหละจะเอาวันที่สให้เอาได้สองันอย่างมากนะถ้าหลายอันขึ้นมาเนาระสาทกินเลยดูไม่ทันหรอกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างที่ประกอบกันได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิต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 เน่แค่เห็นนะยิ้มเห็นไหมยิ้มเราก็รู้สึกใช่ไหมลองทําหน้าบึ้งสิหน้าบึ้งว่าโกรธใครสักนานมาแล้วเกลียดมากลองทําหน้าบึ้งๆสิรู้สึกไหมหน้าเมืนบึ้งๆหน้ามันตึงๆขึ้นมาเนี่ยดูแบบนี้นะร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็ค่อยรู้เอานะมันยิ้มก็รู้มันหัวเราะก็รู้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้ไปเรื่อย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 <c oughs> ขณะนี้ใครใจเฉยๆต้องมีสิเนี่ยเราก็ค่อยรู้เอานะใครรู้เนี่ยเราใจเราเป็นคนดูนะเราเห็นใจแสดงละครตอนนี้แมหมบทมีความสุขตอนนี้บท ม, มีความทุกข์ตอนนี้หมดเฉยๆเนี่ยเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้รู้อะไรรู้กายของเราเองรู้ใจของเราเองรู้บ่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นๆไปเป็นลําดับไปมันจะเริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา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 หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปในร่างกายนีม่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าภาวนาจนถึงจุดที่เห็นความจริงเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะแต่เริ่มที่กายก่อนนะเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะสลัดกายจะไม่ยึดกายจิตนี้มันอัศจรรย์นะมันเข้าไปยึดโน้นยึดนี่ได้แล้วมันก็ปล่อยได้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 จิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดร่างกายนะถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปยึดจิตนะจะเกิดความทุกข์ขึ้นจิตจะปล่อยวางจิตเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์นะทุกข์ให้รู้สมุทัยจะถูกละอัตโนมัติเลยคอยดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูบ่อยๆดูให้มากที่สุดที่จะดูได้นะแต่อย่าถึงขนาดเครียดนะาดูสบายเราเป็นแค่คนดู ร่างกายแสดงละครเราดูนะจิตใจแสดงละครเราก็เป็นแค่คนดูไปด้วยดูไปแรกๆก็จะเห็นมันแสดงของมันเองมันไม่ใช่เรานี่พระโสดาบันนะเห็นไปเรื่อยๆเออร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดกายนะต่อไปมันจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าไม่จะปล่อยจิตไม่ยึดจิตถ้าไม่ยึดจิตแล้วจะไม่ยึดอะไรในโลกแล้วสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราของเราก็คือจิตของเราเองนี่เอง วันใดที่หมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วจิตนี่แหละเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลทั้งหมดเลยเรารู้สึกไหมเราดูโลกออกไปข้าง น, นอกเราก็รู้สึกเราอยู่กลางใช่ไหมจักรวาลทั้งหมดเราก็อยู่ในศูนย์กลางนี้แหละแล้วเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นในศูนย์กลางนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกรวนๆมันไม่ยึดตัวนี้ตัวเดียวนะมันจะไม่ยึดอะไรในโลกนี้อีกเลยนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะ ฮับใหม่ๆแค่ว่าไม่ยึดอารมณ์ได้เป็นคราวๆได้แค่นี้นะตอนที่เป็นพระนาคาจะไม่ยึดกายเป็นพระอรหันต์จะไม่ยึดจิตแล้วก็ไม่ยึดอะไรอีกทําไมไม่ยึดเพราะว่าเห็นทุกข์จิตไม่เข้าไปยึดอารมณ์เราเห็นว่ายึดที่ไรเป็นทุกข์ทุกทีต่อไปจิตไม่ยึดอารมณ์นะจิตไม่ยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสอะไรต่อไปจิตมันเห็นว่าถ้าไปยึดร่างกายเป็นทุกข์ทีแรกแค่เห็นของข้างนอกนะ เห็นว่าถ้าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าพะอะไรเนี้เป็นทุกข์พนะอมาปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นว่าถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์กนะ็จะปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายนะาได้ปุ่มทำพระนาคาแล้วต่อไปเห็นว่าใจที่เหลืออยู่นะี่เป็นตัวทุกข์จะปล่อยใจออกนะเป็นสิ้นสุดการปฏิบัติกันตรงที่ปล่อยจิตได้นี่เองนะอาศจรรย์มากเลยนะ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 รวมกล่าวก็คือจิตมันไม่ไปยึดอะไรแล้วล่ะเพราะมันเห็นแล้วว่าทุกสิ่งนั้นนาไปตัวทุกงั้นในอริยสัจสี่นะบอเริ่มต้นด้วยตรวจทุกคือกายกับใจในตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้อย่างที่มันเป็นถ้ารู้ไปเรื่อยเหมือนเราดูละครเมื่อรู้ทุกเมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นละความอยากจะหมดความอยากเมื่อหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นนี่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตาไม่เคยหายไปไหนเลย ตรงที่รู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานขนาดนั้นแหละคือขนาดแห่งอริยมรรคงั้นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคการรู้ทุกขการละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันเลยขณะจิตที่รู้ทุกขขณะจิตนั้นแหละละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนี่เป็นความอัศจรรย์มากเลยนะที่พระพุทธเจ้าคนปกมาแปลก ของเราถ้ารู้ทุกก็ต้องรู้ไปใช่ไหมแล้ววันหนึ่งค่อยไปละสมุทยัอยอะไรเงี้ยละสมุทัยแล้วเมื่อไหร่จะเห็นนิพพานทัทีอะไรเนี่ยแยกเป็นส่วนๆจริงเห็นในขณะจิตเดียวกันเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะภาวนากันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็แค่แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปธปรรมนามธรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสมโลกาธาตุนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย ถ้ามาเห็นอย่างนั้นแล้วจิตจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรอีกไม่จิตไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่มีความอยากเลยนะมันไม่ถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราละความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์ไม่มีอีกเลยนะนั้นละจีเดี๋ยวขาดหมดไม่ต้องละอีกไม่ใช่ละแล้วละอีกละหลายวันหลายชั่วโมงหลายนาทีไม่ใช่แต่เบื้องต้นก็ละกันเป็นขณะขณะไปก่อนนะจนวันหนึ่งมันแจ้งจริงว่าพ้นไปเลยยากไปไหม ยากก็ไม่เป็นไรฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะหลวงพ่อคิดว่าเขาคงอัดเทปไว้อ่ะแล้วไปฟังเอาเขากันฟังแล้วฟังอีกนะสอนธรรมานยากยากเลยยสอนรู ป, รปลุบคลำคลำแล้วง่ายนะสอนเอาจริงเอาจังเพื่อความพ้นทุกข์นี่ยากมากเลยฝากคมหอกคมดาบเลยนะแร้วมารเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เราพ้นทุกข์ง่ายๆเราหว่างพอไหวไหม ยากวันนี้สอนยากที่สุดเลยเพราะกายจะทิ้งทวนกะทิ้งไว้ให้นะเพราะเราจะได้ศึกษารูปคลาไปบางคนจะยี่สิบปีข้างหน้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี้ก็ได้บางคนอีกยี่สิบชาติจะเข้าใจก็ยังดียี่สิบชาติสั้นนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวถ้าเราเระลึกย้อนไปได้เรารู้เลย เราเวียนไหวตายเกิดนะั้นหนักหนาสาหัสเลยซ้าแล้วซ้ำอีกนะเกิดที่ใดก็เป็นทุกทุกทีไม่มีอะไรเลยเรารักยังเกิดมาเรารักร่างกายนะปฏิบัติ ด, ดูแลมันอย่างดีเลยนะถึงวันมันทรยศเรานะมันแก่มันเจ็บมันตายทิ้งเราไปอีกเราก็โอ้ดูแลมันแทบตายมันก็หักหลังเราอีกยิ่งกว่าสามีภรรยาดีนะ เรารักตัวเองมากกว่ารักสามีปัญญานะเพราะคบประงมมันมากเลยสุดท้ายมันทรยศหนีเราไปเฉยๆมีแต่ทุกครั้งนั้นเลยถ้าเขาอัดไว้นะพวกเราค่อยวันหลังก็มาขอเขาไปนะอาจจะไปดาวน์โหลดที่ไหนสักที่หนึ่งงจะได้เอาไปฟังซ้ำ ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะั้นเราจะพ้นทุกเราจะไม่ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนะความทุกขนะ์เนี่ยเข้าถึงได้ร่างกายเท่านั้นนะจะไม่เข้าถึงจิตอีกต่อไปแล้วนะจะไม่มีอะไรผลเพื่อนเข้าถึงจิตได้อีกจิตจะสว่างแจ่มใสเบิกบานนะจิตของเรายัางมีความทุกข์ผลแต่จิตที่ปฏิบัติ ด, ดีแล้วสมควรแก่ทําแล้วนะ มีแต่ความสุขกับอุเบกขาอุเบกขาก็าเป็นความสุขอีกชนิดหนึง่งสุขที่ประนีตกุกความเราเหลือแต่ความสุขล้น้นๆลยฉนะ้จึงบอกว่านิพพานังประมังสุขขังฝึกเอานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเทศยาวเลยวันนี้ธรรมดาเทศสี่สิบห้านาทีาเมื่ัจายไเทศแอตแลนต้าวัดพระมหาชนกนะเทศเข้าไปได้ชั่วโมงครึ่งกาว่าเทศห้เขาฟังวันเดียว เทศวันเดียววันพุธไม่มีเวลาแล้วเขาขอเพิ่มเข้ามาแซกให้รับผ่อนนะรับซะหน่อย <1> <1> ยาถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกปติอิจชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโธปนราโสยถามณีโชติระโสยทถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตรยโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธานาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรโธรรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพระลังส ตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ทุกวันเนะี่ยคอยนึกถึงเรื่อยๆนะชีวิตเราสั้นนะชีวิตเราสั้นความทุกข์จะมาถึงตัวเราเมาื่อไร่ไม่รูนะ้นั้นเราต้องไม่ประมาทภาวนาให้เยอะไว้ภาวนาตื่นนอนมาก็คอยรู้สึกการู้สึกใจนะดูกาดูใจทํางานไปมีเวลาทําในรูปแบบทําได้ทุกวันจะดีที่สุด10นาทีสินาทีอะไรทำไปนะ จะทำให้เราได้พลังงั้นใจป้ะแปรไม่มีแรงสู้เอานะเนี่ย น, นิสัยครูนะเป็นห่วงลูกศิษย์วะ่ะกลัวมันไม่ทำสู้เอาสู้เอานะ